มีงานบรรจุพระธาตุขงคูสุวัตห้าหกเจ็ดนวงตาเป็นบรรจุมาที่หกหลงคูสุวัตเอาเขาออกมานะบางส่วนก็เป็นพระธาตุละวนี่ค่ือครูบาอาจารย์ระดับนี้มีไม่มากหรอกมีน้อยกว่าที่เราเชื่อนะเราเชื่อเยอะกว่านะนคือ ท, ท่านก่อน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 แต่มันดิ้นไปดิ้นมาหลังจากนั้นไม่เจอท่านนานหลายปีนะเป็นท่านรดกว่มเดินไม่ได้ไปอยู่อเมริกากลับมาไปเจอท่านอีกทีปีสี่สามท่านไปอยู่ที่สวนทิพย์ไปกราบท่านโอ้โหไม่เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนไปหมดล้ะเปลี่ยนแปลงใจก็นึกนาะทำไงจะดีอย่างท่านบ้างนะ ทำไงเจะได้อย่างท่านบ้างดูท่านหมดจดงดงามดูเราเทียกบกับคนทั่วๆไปแตก่อนแล้วก็เราว่าเราก็าหมดจดนะเออไปเจอกต่ท่านนะคล้ๆแมวไปคลุกที่เท่ามาหม่อมแแมมการภาวนาเปลี่ยนแปลงคนได้นะเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานของพวกเราสุกสกปรก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 ปตัดออกมานะมันรวมเป็นก้อนๆ น, นะมันมีแรงดึงดูดเยอะแต่ถ้าเราไปดึงออกมานะ่ไม่ค่อยรวมแล้วไปดึงออกงนภาวนาจิตใจก็มีความสุขจิตใจป่องใสร่างกายก็ปองใสบางคนไม่สบายเคยมีไม่สบายที่เคยรู้ไม่สบายมากๆแบบไม่รอดแล้วจิตเข้าถึงธรรมตรงนั้นพอดีเลยนะ ลัสมีของจิตมันซักฟอกร่างกายใหม่หายเจ็บหายป่วยก็มีนะเคยมีครูบาจารย์องค์หนึ่งท่านหลงป่าเข้าขามาาไปแล้วก็เกียกฝนสามวันสามคืนเหมือนหลงทางข้าวก็ไม่มีจะฉันอดบวมข้าไปหลบฝนอยู่ในถ้ำมาภาวนารู้สึกแบบนี้ต้องตายแน่เลย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 เสร็จแล้วตอนเช้าฝนหยุดแล้วออกมาจากถ้ำหิวนะหิวไม่มีอะไรฉันหลายวันเจอลิงมันถือมละกอกระตาษหยิบนะกระดาษกระดาแล้วมันทํามละกอหลุดจากมือตกลงมาที่พื้นมันก็มองหน้าท่านนะมองมลกอมองหน้าท่านก็นึกว่าเอ๊ะมันไม่กล้าหยิบมัง้งคงกลัวท่านว่าาก้มลงหยิบเดี๋ยวท่านเล่นงานเราท่านเลยกลับเข้าถ้านะเป็นเราเราจะแย่งลิงกินใช่ไหม เราก็จะมีเหตุผลเราต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนจะได้มีแรงภาวนาต่อไปอีกใช่ไหมท่านไม่เอาท่านกลับเข้าถ้าไปลิงจะได้มาเก็บมละกอ์คืนไปเข้าไปพักนึงออกมาปรากฏว่าลิงมายืนอยู่ที่พื้นดินแล้วถือมละกออันนี้มันกลิ้งเหมือนให้ท่านแล้วก็หนีขึ้นต้นไม้ไปเลยท่านบอดูมละกร์ลูกนี้นะ่ามีรอยนกเจาะๆไว้ด้วยอุตส่าไปเก็บมาให้นะ ถ้าแต่เกิดมาไม่เคยฉันอะไรอร่อยเท่านั้นเลยชันเสร็จแล้วเลยเดินกลับมาเมืองไทยได้หลงเข้าป่าพม่าไปที่หลงเข้าท่านไปเดินตามลําห้วยไปนึกว่าลําห้วยนี้ไหลเข้าฝั่งไทยกลายเป็นห้วยนี้ไหลไปพมา่าตามไปตามไปต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยรู้ว่าไม่ใช่เมืองไทยแนะ่เมืองไทยต้องเข้ามาต้องเหลือแต่ต้นมันสําปะหลังเลยภนาะวนานะภวนา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 รู้ลงในกายรู้ลงในใจเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นเรื่องประหลาด น, นะรู้ทุกข์แล้วมีความสุขเนี่ยรู้ทุกข์เราทนทุกข์มีแต่ความสุขล้วนๆใครๆก็อย so. ากลาทุกขทั้งนั้นเลยแร้พุทธเจ้ากับสอนให้รู้ทุกข์ทุกอยู<ๆ>่ที่กายรู้ลงในกายทุกอยู่ที่จิตใจรู้ลงในใจ<ๆ>รู้ไปเรื่อยจนวันหนึ่งไม่ยึดถือในกายในใจไม Menschen, ่ยึดถืออะไรเลยรวงทั้งไม่ยึดถือความไม่ยึดถือด้วยนะ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 ก็เล่าการภาวนานะเวลานักปฏิบัติเจอกันสนทนาธรรมกันด้วยเรื่องการปฏิบัติล้วนๆ น, น, น่าฟังมากเลยน่าฟังมือนเป็นเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสของตัวเองนะั่นแหละไม่ใช่สู้คนอื่นนะสู้กิเลสของเราเองลมลุกคลุกลกานอีตอนสู้นะบางตายแต่ตอนสู้ขานมาแล้วมันํานะมันคําว่าแต่ก่อนทําเป็นมันโงู้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 ไม่ได้มีเพื่อรักษาจิตพระจิตนั้นไม่ต้องรักษ า, าก็คืนโรคคืนธรรมชาติไปแล้วนีธรรมะนะมันเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเรานึกไม่ถึงเราภาวนาเราก็หวังว่าวันหนึ่งจิตเราจะดีจะสุขจะสงบสาวอดวาดภาพาพระรหัตว้อย่างนั้นจริงไม่ได้เป็นอย่างที่นึกหรอกคนที่วางขันไปแล้วกับคนที่มีขันอยู่ความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน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 คือเดิมเราไปฝึกกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออะไรใอย่างบางคนก็ฝึกพองยุบบางคนหัดพุทโธบคนหัดอานาปนสติบางคนทําจังหวะอย่างสายหลวงพ่อเทียนบางคนดูเวทนาแห่งสายท่านโกอินก้าบางคนรู้อิริยาบทสี่าสายจันแนบเลยแต่ละคนก็ฝึกกันมาคนละอย่างสองอย่างแต่ถ้าเมื่อไหร่สติตัวจริงเกิดขึ้นมาเราจะพบว่า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 แรกเลยไม่รู้ว่าสติคืออะไรเราบ่อจะคิดว่าสติคือการกําหนดในความเป็นจริงเนี่ยสติเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมีหนะ้าที่ระลึกรู้สภาวธรมรมระลึกรู้สภาวธรรมที่กาลังปรากฏงั้นสติมีหนะ้าที่ระลึกรู้สติไม่ได้แปลว่ากําหนดตรงนี้ถ้าถ้าปรับซะนะเวลาเรารู้ลมหายใจเราชอบกําหนดลมหายใจใช่ไหม รู้ท้องผ่องยุบเราก็ไปกาหนดท้องเดินจงกรมเรากำหนดเท้ารู้อิริยาบถสี่เรากำหนดร่างกายทั้งร่างกายขยับมือทำจังหวะเรากำหนดมือรู้เวทนาก็าไปกำหนดเวทนาถ้าเมื่อไรเรากำหนดเข้าไปที่ตัวอารมณนะ์สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอา ร, รมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์คือสมถกรรมฐานสติจริงๆในพระไตรปิฎกสติแปลว่าความระลึกได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 บอกว่าทีระสัญญาทีระทอถูงสระอิรอเรือทีระสัญญาการที่จิตจําสภาวะได้แม่นนั่นเองเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นหน้าที่เราหัดรู้สภาวะไปไม่ใช่หัดบังคับตัวเองพวกเราพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไร่เราจะเริ่มต้นด้วยการบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมดาการบังคับกายให้นิ่งๆ่งบังคับใจให้นิ่งๆ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการจเจริญสตินะ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 ยิ่งฝึกยิ่งแข็งยิ่งฝึกยิ่งเครียดตัวแข็งแข็งคอก็แข็งหนะ้าหลังก็แข็งแข็งไปแข็งมากทีเกิดอาการแปลกๆบุงคนได้ยินเสียงตลอดเวลาบางคนได้กลิ่นตลอดเวลาวันนั้นมาใช่ไหมหแม่ชีนะได้กลิ่นตลอดเหม็นตลอดเวลาบางคนก็คอแข็งนะไปไนก็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 ทือธรรมะที่ท่านสอนมันยังอยู่บริบูรณ์ไม่เคยหายไปไหนนี่แหละคือพระพุทธเจ้าของเราแล้วเราต้องเรียนธรรมะต้องศึกษาธรรมะให้ดีเรื่องที่ต้องเรียนนะเรื่องหนึ่งคือเรื่องอริยสัจเรื่องหนึ่งเรื่องสติปัฏฐานเรื่องหนึ่งเรื่องไตรลักษณ์เรื่องหลักๆที่ต้องเรียน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 มีอยู่คำเดียวนะกริยาจริงๆเลยคือคำว่ารู้ น, นั่นเองที่เป็นหลักจริงๆอ่ท่านบอกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รูนะ้ท่านไม่ได้บอกว่าหายใจออกให้กาหนดไว 7, 6, 5, 5, 10, ้เจฐานหกฐานห้าฐานสิฐานไม่มีนะท่านบอกหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นะบางทีเชค็คคำว่ารู้ชัดก็มีเดินอยู่ก็รู้ชัดยืนนั่งอยู่ก็รู้ชัด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 มีพยาบาทนิวอนก็รู้จิตมีอะไรต่ออะไรขึ้นมารู้ขันสอนเพราะฉะนั้นกิริยาที่เป็นหัวใจของการภาวนาในทางสายเอกทางสายเดียวคือคำว่ารู้นี่เองคำว่ารู้มีสองในยะันะอันแรกมีสติรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏคือรูปธรรมและนามประธรรมที่กำลังปรากฏอันที่สองมีปัญญารู้ความจริงของสภาวะรูปและนามอันนั้น